กำเนิดลงตา <S <S ชายวัยกลางคนอายุเกือบ50ิปีรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงมีอาการพึ่งจะสางเมาประคองร่างของตนเองเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชาญเมืองกรุงเทพมุ่งตรงไปยังกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อพบเจ้าอาวาสวัยเจกว่าแล้วจึงก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมและเอ่ยปากด้วยสีหน้าเศร้า มีในตาแดงว่าหลวงพ่อครับผมจะมาขอบวชครับหลวงพ่อเจ้าวาดผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเอ่ยปากถามว่าโยมชื่ออะไรล่ะบ้านอยู่ไหนแล้วนึกอย่างไงยถึงอยากจะบวชล่ะผมชื่อสงบครับ บ้านผมก็อยู่แถบนี้แหละครับที่อยากบวชก็เพราะเบื่อชีวิตครับรู้สึกว่ามันจังมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ค่อยได้เลยครับถ้าโยมมีแต่ความสุขละโยมโยมยังอยากจะมาบวชอีกไหมก็ไม่แน่หรอกครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะบวชครับ มีอะไรที่เป็นทุกข์เป็นนักหนาอะไรช่วยเล่าให้อัตมาฟังได้ไหมทุกข์มันมีสรพัดทั้งทะเลาะกับเมียเคียหนี้ก็ยังไม่สิน้นทามาหากินก็ไม่รวยซื้อหวยก็ไม่ถูกเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ดังใจชีวิตมันไม่สมหวังเอาซะเลยผมบวดดีกว่าครับ แล้วโยมคิดว่าปวดแล้วจะทำให้หมดทุกข์กันนั้นหรือครับผมคิดว่าอย่างนั้น <c oughs> อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเห็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> อยู่ใต้ลมกาสาวพัสดน่าจะมีความสุขมากกว่านะครับการบวชเป็นพระภิกษุไม่ใช่เป็นของง่ายอย่างที่โยมคิดกันหรอกนะต้องตัดทางโลก มุ่งสู่ทางธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาแลวต้องไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนไม่สะสมข้าวของไม่สะสมทรัพย์สินเงินทองและโยมอะ่ะจะทำได้หรือไม่ลองก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมคิดว่าคนอื่นทำได้ ผมก็ต้องทำได้หลวงพ่อกรุณาบวชให้ผมด้วยนึกว่าเอาบุญเถิดครับผมอยากจะหาทางพ้นทุกข์จริงๆถ้าโยมมีศรัทธาตั้งใจจะบวชแน่นอนอัตมาก็ไม่กัดข้องเดี๋ยวจะไปขอให้อุปชากำหนดวันบวชโยมเอาใบสมัครอุปสมบทไปกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องเลิกดื่มเหล้า ต้องใช้หนี้สินให้หมดเสียก่อนด้วยโยมถึงจะมาบวชได้นะมีข้อสังเกตว่าการบวชพระเนนในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะง่ายดายเสียละเกินมีเงินซื้อบาตจีวรและถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระอุปชาพระคู่สวดและพระนั่งอันดับก็บวชได้แล้วไม่ได้มีความพิธีพิธนัน ตรวจสอบอะไรกันมากมายนักแต่ก็มีบางวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติถ้าจะมาบวชก็ต้องถูกซักถามอย่างละเอียดและนุ่งขาวห่มขาวอยู่ประพฤติข้อวัดเป็นเดือนๆกว่าพระอาจารย์จะอนุญาตให้บวชเป็นการกันกรองผู้บวชให้มีคุณภาพในพระพุทธศาสนาขั้นต้นก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง เป็นธรรมดาของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมต้องหาทางพ้นทุกข์พระพุทธศาสนาเป็นทางออกทางหนึ่งของผู้มีทุกข์แต่ผู้มีทุกข์จะทำตนให้พ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปหลังจากที่นายสงบได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ก็เริ่มต้นจากการสวดมนต์ยะถาสัพพีอันเป็นการให้พรเวลาโยมมาทำบุญตามประเพณีพระพี่เลี้ยงที่บวชมาก่อนก็แนะนำข้อประพฤติที่สมควรแก่สมณนะมีการนุ่งห่มจีวรการบินทบาการขบฉันเป็นต้นสอนให้สวดมนต์เจดตำนาน12ตําตำนาน ซึ่งก็คือภระปริ์เพื่อเอาไว้สวดในเวลายมนิมนต์ไปฉันที่บ้านหรือในงานมงคลต่างๆรวมทั้งเริ่มศึกษานักธรรมตรีโทเอกซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาพระธรรมวินยัยของพระภิกษุในยุคปัจจุบันตามลำดับชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุตามชนบท ที่เป็นวัดบ้านหรือตามชาญเมืองหลวงก็ไม่แตกต่างกันนักคือมีกิจกรรมตั้งแต่เช้ามืดสวดมนต์ทวัดเช้าแล้วก็ไปบินทบากกลับมาก็รวมกันฉันบ้างแยกกันฉันส่วนตัวบ้างพระใหม่ก็ต้องเรียนนักธ ร, รมตรีวินัยมุกซึ่งเป็นหลักสูตรที่แต่งขึ้นมา ตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่ได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรเหมือนวิชาการทางโลกเลยบางท่านที่อยากเป็นพระมหาก็ไปเรียนภาษาบาลีตามสำนักใหญ่ๆพระหลวงปู่หลวงตาถ้ามีกิจนิมนต์ไปฉันในหมู่บ้านก็ไปกิจนิมนต์กันถ้าไม่มีกิจนิมนต์ก็พักผ่อนตามอัธยาศัย ตามคาที่ชาวบ้านชอบล้อเลียนกันว่าเช้าเองเพนนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจำวัดดึกสัตว์มามา่าถึงเวลาเพนก็ไปฉันโดยฉันวันละสองมือ้อไม่ให้เกินเที่ยงตรงตกเย็นก็ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แยกย้ายกันไปทากิจส่วนตัวเวลา และวาลีไม่ยินดีจะคอยใครรถเม์และเรือไฟมันก็ไปตามเวลายืดยากหรืออื่อ่ดมักจะพลาดปากธนาพลาดแล้วจะโศกาอานิจจ์เล่าช้าไป จากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีจากปีเป็นหลายหลายปีการเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกพระภิกษุสงบ ก, ก็ดำเนินชีวิตเหมือนพระบ้านทั่วไปศึกษาพระธรรมนิยจนจบหลักสูตรนักธรรมเอกพัรสามากขึ้นจนเป็นพระเถระได้รับตำแหน่งพระครูชั้นฐานา แต่พระนุ่มเนน้อยก็เรียกท่านว่าหลวงตาพเพราะวัยก็ปาเข้าไปตั้งหกสบกว่าเจ้าอาวาสลูกเก่าก็าเข้าถึงความเป็นอนิจจังมรรนังจุติไปได้หลายปีแล้วมีผู้เสนอให้พระครูหลวงตาสงบเป็นเจ้าอาวาสแต่หลวงตาลักสงบจึงขออยู่อย่างสงบ คือเป็นลูกวัดดีกว่าการรับผิดชอบเป็นเจ้าอาวาสแต่เพราะความมีพันษามากจึงได้เป็นหัวหน้าในกิจกรรมต่างๆเช่นการทำวัดสวดมนต์การรับกิจนิมนต์ไปฉันในงานทั่วไปการเทศนาสั่งสอนญาติโยมตามกาละจนมีปัจจัยบริขารและบริวารมากขึ้นเรื่อยๆมีที่อยู่อาศัย มีปัจจัยสี่พังพร้อมบริบูรณ์มีคนเคารพนอบน้อมบูชาเข้าตำราที่ว่าบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อแถมมีมือถือใช้อีกต่างหามีผู้คนมากราบไหว้เคารพ บ, บูชาสักการะมาให้ลดน้ำมนต์บ้านมาให้ดูหมอบ้างมาให้ต่อดวงชะตาบ้าง ก็ท um, ําให้เพิดเพลินไปในความเป็นพระพิสุผู้หลงเป้าหมายได้เหมือนกันเวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปีตั้งแต่บวชหลวงตาสงบลืมสนิทเสีแล้วว่าบวชเข้ามาทําไมเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นปัจจัยให้มีความทุกข์เหมือนตอนที่เป็นคลือหัดจึงไม่ได้คิดที่จะหาทางพ้นจากทุกข์และแม้อยากจะพ้นจากทุกข์จริงๆ ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนและหาจากใครวัดทั้งวัดก็ไม่มีใครที่จะอยากจะหาทางพ้นจากทุกขเพราะพระพิสุกแต่ละรูปท่านก็ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นทุกข์รวมทั้งลวงตาสงบซึ่งลืมความทุกข์ก่อนบวชไปเสียแล้วจนสิน้น เหตุการณ์จึงสงบตามชื่อของหลวงตาเรื่อยมาจนกระทั่งความไม่สงบเริ่มเกิดขึ้นแก่หลวงตาสงบด้วยเหตุว่าลูกสาวของหลวงตาวัยเกือบ40่สินามของเธอคือฉัยไลผู้ที่คอยมาอุปถักต์และดูแลค่าอยู่ค่ายาให้หลวงตาสงบเป็นประจำได้ปาลดขึ้นว่ายอมจะไม่ถวายเงินทองแก่หลวงพ่อแล้ว และไม่อยากให้หลวงพ่อรับเงินทองจากใครๆด้วยพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุรับเงินทองถ้าโยมยังคืนถวายอยู่ก็จะทําให้หลวงพ่อผิดต่อพระวินัยบัญญัติจากคําพูดของโยมลูกสาวทําให้หลวงตาไม่ค่อยพอใจนักสอบถามได้ความว่า โยมลูกสาวชื่อไฉไลนี้ได้เริ่มศึกษาพระธรรมวินัยสักพักใหญ่จึงอยากให้หลวงพ่อปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยหลวงตาสงบคิดในใจว่าอยู่ๆก็เกิดจะมาปฏิบัติเข่งขัดไม่ถวายเงินหลวงพ่ออย่างนี้นนเรียกว่าอาตัตตะนยู จะชื่อว่าปฏิบัติธรรมได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะยังต้องขอให้โยมลูกสาวถวายเงินค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าเจ็บป่วยไม่สบายอยู่ต่อมาวันหนึง่งลูกสาวผู้กระตันอยู่ก็ได้มาสนทนาเรื่องพระธรรมวินยัยกับพระพิสุผู้เป็นพ่อ ด้วยความหวังดีหวังประโยชน์เกื้อกูลโยมชัยไผู้เป็นลูกสาวคนเดียวของหลวงตาได้เริ่มต้นกล่าวขึ้นว่าโยมได้ศึกษาพระธรรมวินยัยจากพระพิสุรูปหนึ่งท่านได้แนะนำให้อ่านพระไตรปิฎกโยมยังไม่รู้อะไรมากหรอก แต่ก็พอจะเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของพระพิสุบ้างเป็นพระพิสุผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารจะต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษขัดเกลวชอบสงัดไม่สั่งสมกิเลสยมเห็นว่าพระพิสุในยุคนี้จะต้องรักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์หมดจด เป็นสิ่งที่ทำได้ยากจริงๆและถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีคือยังทำผิดต่อพระธรรมวินัยอยู่ก็จะมีโทษมากโยมจึงอยากให้หลวงพ่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยจะได้ไม่มีโทษเพราะโยมเป็นห่วงหลวงพ่อมากถ้าปฏิบัติไม่ได้จริงๆก็เป็นคฤอัสืจะดีกว่า ถึงแม้ทำบาปกรรมผิดศีลผิดธรรมไปบ้างก็มีโทษน้อยกว่าการเป็นพระพิสุที่ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหลวงตาสงบกล่าวตอบว่าอาตมาก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่นี่โยมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอาตมารักษาตัวของอาตมาได้ โยมไชไลกล่าวขึ้นว่าจะไม่ให้เป็นห่วงได้อย่างไรเจ้าคะในกุฎของหลวงพ่อโยมเห็นมีแต่จีวรถังสังฆทานปั จ, จัยไทยธรรมต่างๆเข้าของสัมภาระเต็มไปหมดจะหาที่นั่งที่นอนก็ยังยากทำไมหลวงพ่อไม่นำไปถวายตามวัดต่างจังหวัด ที่กันดานและขัดแคนปัจจัยต่างๆจะได้เป็นบุญอีกต่อหนึ่งและที่สำคัญหลวงพ่อก็ยังรับและใช้เงินทองเองมีเก็บสะสมไว้อีกต่างหากโยมทราบว่าพระพิสุรับหรือใช้ให้ผู้อื่นรับหรือแม้ยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ก็เป็นอาบัตินิสักคยะปาจิตตี ถ้าไม่สละเงินทองให้หมดเสียก่อนก็แสดงอาบัตไม่ตกคือยังไม่พ้นจากอาบัตนั่นเองใช่ไหมเจ้าคะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิสุยินดีในปัจจัยสี่ที่มีวัยาวจักรหรือคนวัดเป็นคนดูแลเก็บเงินทองไว้ให้ แต่ไม่ให้ยินดีในตัวเงินทองถ้ายินดีในเงินทองก็ต้องอาบัตเหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าคะทำไมหลวงพ่อจึงไม่ให้ไวยาวัจกรดูแลเงินทองให้ถ้าต้องการสิ่งใดก็ให้ไวยาวัจกรไปจัดหามาให้ไม่ดีกว่าหรือเจ้าคะโยมก็จะได้เอาเงินทองไปฝากไว้กับไวยาวัจกร ดีไหมเจ้าคะหลวงตาสงบสั่นหัวพร้อมกับโต้แย้งว่าจะมีวัยาวัจกรคนไหนที่เข้าใจธรรมวินยัยยอมเสียสละมาดูแลพระพิสุคอยจัดหาสิ่งของให้ละ่ะถ้าจะไปธุระหรือไปลงพยาบาลจะมีวัยาวัจกรคนไหนที่เสียสละเวลา คอยติดตามพระพิสุกไปอำนวยความสะดวกจ่ายเงินทองค่ารถค่ายาค่ารักษาพยาบาลให้ละ่ะจะมีวิยาวัจกรคนไหนที่ไว้ใจได้เรื่องเงินทองโยมไม่เคยได้ยินบ้างหรือที่เขาว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากอีกอย่างไม่อยากจะไปทะเลาะเรื่องเงินทอง กับคนวัดที่คอยมาเก็บเงินให้เงินทองมันไม่เข้าใครออกใครไม่ใช่หรือสู้เก็บเองจับจ่ายใช้สอยเองจะสะดวกกว่าจริงไหมมันก็จริงอยู่ลวเจ้าข่าแต่ยมคิดว่าหลวงพ่อน่าจะเอื้อเฟื้อต่อพระวินยัยยอมลำบากหน่อยเพื่อความถูกต้องเพื่อพระาศาสนา และเพื่อรักษาตนเองด้วยนะเจ้าคะแทนที่บวชมาเป็นพระพิสุได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดตามพระธรรมคำสอนแล้วจะได้สอนญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องและและเว้นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าพระพิสุยังปฏิบัติผิดต่อพระธรรมวินัยอยู่แล้วจะไปสอนให้ญาติโยมประพฤติถูกต้อง ได้อย่างไรเล่าเจ้าคะนอกจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุ ญ, ญาตให้พระพิสุทรับเงินทองเองหรือใช้ให้ผู้อื่นรับแทนหรือยินดีในเงินทองที่มีผู้อื่นเก็บไว้ให้แล้วก็ยังไม่ทรงอนุญาตให้ซื้อขายด้วยเงินทองไม่ทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช่เงินทอง กับค่าฤหัตด้วยไม่ใช่หรือเจ้าคะพระิสุใช้เงินทองซื้อขายด้วยตนเองก็ต้องอาบัตินิสัสักคยปาจิตตีแม้ใช้ผู้อื่นไปซื้อขายด้วยวาจาที่ไม่สมควรนับเป็นการจัดแจงเงินทองเหมือนกันก็ใช้ไม่ได้ข้าวของที่ได้มา ก็ไม่ควรใช้สอยสําหรับสหธรร ม, มิกทั้งห้าภิกษุภิกษุณีศิกขมานาสามนเณรสามนเณนรลีถ้าแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช่เงินทองไม่ใช่พวกรัตตนะมีเพชรนินจินดาอันมีค่าทั้งหลายเช่นบา จีวอนเภสัตบริขารต่างๆก็อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเฉพาะกับสหธรรมิกทั้งห้าเท่านั้นถ้าไปแลกเปลี่ยนกับคฤลืหัด ก, ก็ต้องอาบัตนิสสัคขยิยปาจิตตีอีกโยมได้ฟังมาว่ า, าพระภิกษุที่มีอาบัตติดตัวถ้ามรณะภาพ ก็มีคติสองอย่างเท่านั้นคือไม่ไปเกิดในนรกก็เกิดเป็นสัตว์ดีรชานโยมไม่อยากให้หลวงพ่อไปเกิดในคติทั้งสองนั้นหลวงตาสงบถูกโยมปรับอาบัติซึ่งหน้าก็ให้รู้สึกหมุดหงิดจึงพูดเสียงกล้าวขึ้นว่าโยมนี่จะรู้มากเกินไปแล้ว ศึกษาธรรมะภาษาอะไรจึงทำให้ผิดแปลกกว่าคนอื่นเขาพระภิกษุทั่วประเทศก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เห็นมีใครบุ่นวายเดือดร้อนอะไรเขาก็ปฏิบัติกันอย่างนี้มาเป็นร้อยปีพันปีแล้วยุคสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนมันต้องมีการปรับปรุงพัฒนากันบ้างสิค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ ก็ต้องจ่ายเองค่ารักษาพยาบาลเวลาป่วยไข้ละ่ะถ้าไม่มีโยงอุปทาที่มีฐานะใครจะมาออกให้อัตมาจะบอกให้ว่าเวลาทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นภาคภิกษุก็มีการแสดงอาบัติกันทุกวันบอกแล้วว่าโยมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพอภาคภิกษุสวดมนต์ไหวพรกให้พรยะถาสัพพี ได้ทำบุญกุศลตั้งมากมายถ้าจะตกนรกเพราะเหตุนี้ก็ไม่เป็นไรลอกเพราะก็คงจะตกนรกกันทั้งประเทศละและไม่ใช่ประเทศไทยเราประเทศเดียวเท่านั้นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพมา่าลังกาลาวคมัมณรเวียด น, นามจีนญี่ปุ่นไต้หวันมากมายในโลกก็ปฏิบัติกันอย่างนี้ทั้งนั้น โยมชัยไลเห็นหลวงพ่อเริ่มขุนใจจึงกล่าวขอขมาโทษว่ายมต้องขออภัยเจ้าค่ะโยมก็ไม่อยากให้หลวงพ่อไม่สบายใจหลอกเจ้าค่ะแต่เมื่อก่อนไม่ได้เรียนรู้พระธรรมวินยัยจึงปฏิบัติผิดๆต่อหลวงพ่อและพระภิกษุทั่วไปเมื่อได้ศึกษาพอเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมวินยัย และสิ่งที่ไม่ใช่ทาวินัยแล้วก็อยากจะทำให้ถูกต้องหลวงพ่ออย่าไปถือตามคนส่วนมากสิเจ้าคะควรจะถือตามพระธรรมวินยัยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นกับยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามทำที่เป็นโทษก็ต้องมีโทษทุกยุคสมัย ส่วนธรรมที่เป็นคุณประโยชน์ก็ต้องเป็นประโยชน์ทุกเมื่อไปยมอยากให้พระพิสุในยุคนี้ศึกษาพระไตรปิฎกบ้างรวมทั้งอัท ธ, ธกถาด้วยจะได้มีศรัทธามีปัญญาเชื่อกรรมและผลของกรรมให้ยิ่งขึ้นจะได้กลัวบาปให้มากขึ้นกว่านี้เพราะยุคสมัยที่เจริญด้วยวัตถุ พระพิสุในยุคนี้ก็พอยึดถือวัตถุนิยมไปด้วยทั้งๆ ท, ที่รูปแบบการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่แม้กระทั่งเครื่องแต่งกายของพระพิสุก็กแตกต่างไปจากขรรค์เป็นการประกาศตนเองอยู่แล้วว่าไม่อยากเป็นขรรค์ฉะนั้นจึงต้องดำเนินชีวิตให้อยู่ในรูปแบบของความเป็นสมณะ ผู้สงบผู้ที่ประพฤติตามพระธรรมวินัยพระพิสุบินทบาดเลี้ยงชีพเป็นการขอแบบพระอริยะคือไม่เอ่ยปากขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติคนที่ไม่ได้ปราวรณาไว้พระพิสุไม่ต้องทามาหากินเพียงแต่รักษาศีลมีความสำรวมมักน้อยสันโดษ ญาติโยมก็เรื่อมใสใครที่จะดูแลอุปถามถวายอาหารและปัจจัยทยธรรมให้แล้วพระพิสุเอ่ยปากขอปัจจัยสี่กับคนที่ไม่ใช่ญาติหรือคนที่ไม่ได้ปวารณาไว้ถ้าขอจีวรได้มาต้องอาบัตนิสคิยปาจิตตีเว้นไว้แต่จีวรหายหรือถูกทำลาย ไม่ป่วยไข้ขอโภชนาอันประณีเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วฉันต้องอาบัตปาจิตตีไม่ป่วยไข้ขออาหารบิณฑบาตได้มาฉันต้องอาบัตทุกกฎขอเสนาสนะได้มาต้องอาบัตทุกกฎแต่อนุญาตให้ขอโดยอ้อมไม่ต้องเอ่ยปากขอได้เรียกว่าปริกรา โอภาษนิมิตกรรมไม่ป่วยไข้ขอเพสัต์เกินกำหนดที่เขาปวารณาได้มาต้องอาบัตปาจิตตีพระพิสุนุ่งสบงห่มจีวรสังคติเรียกว่าไตาจีวรไม่ใส่เสื้อกางเกงโยมทราบว่าพระพิสุสวมใส่เสื้อกางเกงไม่ว่ากางเกงนอกหรือกางเกงใน หรือสวมหมวกต้องอาบัดทุกกฎแม้สวมรองเท้าหรือกางร่มไปในระแวกบ้านโดยที่ไม่ป่วยไข้ก็ต้องอาบัดทุกกฎแสดงให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพระพิสุต้องต่างจากขฤรหัดจริงๆใช่ไหมเจ้าคะหลวงตาพยักหน้าตอบรับ ในใจก็นึกชหยง น, อนอิกว่าทำไมโยมลูกสาวจึงสนใจพระวินัยของพระภิกษุมากมายนักและรู้ละเอียดหยุมหยิมอย่างนี้โยมไฉไลลูกสาวผู้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเมื่อไม่นานด้วยความรักความผูกพันในภิกษุผู้เป็นบิดา ความเคารพในพศาสนาประกอบกับความรู้สึกที่เรียกว่ากำลังไฟแรงจึงกล่าวถวายความรู้ต่อพระภิกษุผู้เป็นบิดาต่อไปว่าภิกษุใช้จีวรเพียงสามผืนและบริการที่จำเป็นเท่านั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแฟชั่นไม่ต้องตามให้ทันสมัยเพราะตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน 2,500 กว่าปีผ้าไตาจีวอนของผ้าพิสุก็แบบเดียวกันหมดไม่ว่าจะไปงานไหนๆก็ใช้แบบเดิมเรียกได้ว่าชุดนอนชุดเที่ยวจาริกชุดออกงานมงคลงานอาวมงคลก็ชุดเดียวกันหมดไม่ต้องกังวลในเรื่องเครื่องแบบเรื่องแฟชั่นสบายจริงๆ พระภิกษุไม่ไว้ผมไม่ต้องคอยตัดผมและเปลี่ยนทรงผมบ่อยๆเหมือนคฤหัตตัดความยุ่งยากไปได้มากเป็นความเหมาะสมแก่ผู้ที่สลักทางโลกไม่ต้องการความหล่อความงามอันก่อให้เกิดกิเลสอกุศลมากมายพอพูดเขามาถึงตรงนี้โยมลูกสาวหยุดครู่หนึ่งเพราะเกิดความสงสัยในเรื่อง การโกนผมของพระพิสุจึงได้ถามหลวงตาว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระพิสุมีวิธีการโกนผมกันอย่างไรเจ้าคะใครเป็นคนโกนให้และมีกําหนดการโกนผมกันอย่างไรบางครั้งยมเห็นพระพิสุบางวัดโกนผมไม่พร้อมกันมีพระวินัยกากับในเรื่องนี้หรือไม่เจ้าคะ แค่เคยเห็นพระพิสุบังกลุ่มเป็นส่วนน้อยที่ไม่โกนคิ้วดูแปดกตาผิดพระวินัยหรือเปล่าเจ้าคะหลวงตาสงบ ก, กระยิมยิ้มในใจเพอะจะได้แสดงความรู้บ้างหลังจากที่ต้องฟังโยมลูกสาวเทศนามาพักหนึ่งพางคิดในใจว่า ไม่ใช่โยม จ, จะรู้คนเดียวเที่ยวมาสอนคนอื่นอัตมาเรียนจบนักธรรมเอกเชียวนะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังแล้วหลวงตาก็กล่าวอย่างมั่นใจว่าการกลนผมของพระพิสุกนี้ทางพระเรียกว่าปงผมก็อย่างโยมว่านั่นแหละเป็นความเรียบง่าย ของการเป็นพระภิกษุไม่ต้องมีกังวลปลอดโปรง่งแสดงถึงการสละทางโลกแล้วโดยปกติตั้งแต่โบ ร, โบราณมีการปงผมกันในวันโกนคือก่อนวันอุโบสถหนึ่งวันหรือที่เรียกว่าวันพระใหญ่พระมหานิกายนิยมปงผมกันทุกกึ่งเดือนส่วนพระธรรมยุทธ นิยมปงผมกันทุกเดือนอันนี้เป็นความนิยมแต่พระพุทธบัญญัติให้พระพิสุไว้ผมได้โดยต้องยาวไม่เกินสองข้อนิ้วมือหรือไม่เกินสองเดือนแล้วแต่ว่าอย่างไหนจะถึงก่อนถ้าไว้ผมยาวเกินสองนิ้วหรือเกินสองเดือนก็ต้องอาบัดทุกกฎเพราะฉะนั้นถ้าผมยาวยังไม่ถึงสองข้อนิ้วมือ หรือยังไม่เกินสองเดือนแม้จะยาวจนสามารถเสยผมได้ก็ยังไม่มีอาบัตแต่ถ้าเสยผมหรือหวีผมเพื่อแต่งให้หลอ่อให้งามก็จะมีอาบัตทุกกฎส่วนผู้ที่ปงผมนั้นถ้าปองเองได้ก็ดีถ้าปองเองไม่ได้ก็ไหว้วานให้ภิกษุหรือสามเณรหรืออุบาสกปองให้ก็ได้และจะปงเมื่อไหร่ เวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่มีจำกัดเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแล้วแต่สะดวกแต่วัดที่มีระเบียบต้องการให้เป็นรูปแบบเดียวกันก็จัดนิยมปงในวันเดียวกันคือวันโกนนั่นแหละอีกประการหนึ่งมีพระพุทธบัญญัติให้ปงผมและหนวดเท่านั้น ไม่ได้บัญญัติให้โกนคิ้วในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพมา่าลังกาจีนญี่ปุ่นเวียดนามทิเบตพระภิกษุไม่ได้โกนคิ้วกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศไทยนั่นแหละที่พระภิกษุโกนคิ้วจนกลายเป็นประเพณีไปแล้ว